ต่อไปก็มาดูเรี่องสื่อมสัมพิธีนะครับอยู่ในมวสัมพิธีได้เลยข้อสุดท้ายของสารธรรมกลอละนะร้อยแปดสิบหกนะครับข้อนี้แปดสองพิสูรรูปใดรู้อยู่พึงน้อมลาบสงที่เขาน้อมมาเพื่อสงและไปแก่ บ, บุคคลพิสูรอื่นรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบััดปางจิตตีนะครับอันนี้นะถ้านบองว่า น, นะครับ น้อมล่าส่งนะแม้กว่าไอ้สิ่งนั้น่ะเขายังไม่ทันถวายส่งหรอกแต่เขาตั้งใจจะถวายส่งแลนะครับเขาเตรียมไว่าเขาจะถวายส่งนะด้วยการเปล่งวาจาหรือว่าแสดงกิริยาทางการกรแร็แลแส่นะครับที่ว่าเขาจะถวายส่งนะแม้แต่เป็นของแม่ตัวเองนะนะครับแม่ตัวเองเตรียมตั้งใจนะพูดเอาไว้แลนะครับหรือว่าแสดงการว่าจะนอนเพื่อส่งแล้วพิสุก็รู้ทั้ง ร, รู้รู้อยู่แก่ใจนะ ว่โยงแกน้องไปเพื่อถอวายสงแล้วนะครับก็อยังน้องมานะครับเพื่อไปให้พระอีกรูปหนึ่งนะครับน้องไปเพื่อบุคคลนัคือพิสูตรรูปอื่นรูปใดรูปหนึ่งนะครับอั น, นี้ก็ต้องบัตรปาสิตรีสิขาบนนี้ครับคนนี้ต้องเน้นว่าต้องรู้เลยนะว่าเขาน้อยเพื่อสงแล้วแล้วก็ยังน้องเป็นเพื่อพิสูตรรูปอื่นนะครับหีือบุคคลไอื่นน ะ, ะต้องบัตรปาสิตรีนะครับ จะเป็นของโยม้วของพระเนในการกานแลกแต่นะที่พขาน้องไปแ ล, แล้วน้องไปส่งอันนี้ไม่ได้เลยนี้มาดูคังที่บ้านที่เราอันนี้เราเคยเจอมาแล้วทีหนึ่งใช่ไหมนนี้สักคีใช่ไหมครับน้องรากสงไปเพื่ออะไรนะ่ะมน้องรางส่งมาเพื่อตอนต้องอาบานันอะไรครับน้องรางสงมาเพื่อตอนต้องอะไรครับนี่สคีนีสกคีไปอีกตีนะครับ ถ้าน้องล่างส่งไปเพื่อคนอื่นก็ต้องไปดีท้อย่างนีนี้คํามาดูต้นไมีเยมามากแคานนะครับมันจะคลานรืองาจะขีได้หรือไม่เรื่องรเรื่องขาจะขี่โดยสมัยนั้นพึ่งพ่ อ, พอท่าเจ้าประทับอยู่นั่งพระเจตวัน อาลางของาานาธามบิติกาข้าบริเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นในพระนครสาวัตถีมีชาวบ้านหมหนึ่งได้จัดอาหารพร้อมทั้งจีวรไว้เพื่อสงด้วยหมายใจว่าให้ท่านฉันและจะให้คลองจีวรเนี่ยยก็ตั้งใจยอย่างนี้น ะ, ะใาช้ท่าฉันก่อนแล้วค่อยถวายจีวรหลังนะครับครั้งนั้นแล้วพวกก็จะขีเข้าไปหาชาวบ้านหมู่นั้นแล้วกล่าวว่าท่านนงหลายของจงถวายจีวรเหล่านี้แก่ผู้สูพวกนี้เถอด ก็คือแก่พวกปัจจุบัคีด้วยกันนะแกไปบอกโยมนี้ครับท่านที่เขาตีม่าพวกจะถวายสงแล้วนะอ น, นี่ก็ยังน้องมาเพื่อพักผู้ตัวเองนะครับชาวบ้านหมู่นั้นกล่าวว่าท่านเจ้าข้าพวกวกระผมจัดถวายไม่ได้เพราะพวกกระผมได้จัดอาหารพร้อมทั้งชีวรไว้เพื่อสงทุกๆปีและวันก็ทําบุญอย่างนี้ทุกๆปีนะ<ช>ครับถ้าจัตพัคคีกล่าวว่าท่านหลายทายกพุทธวานแก่สงมีจํานวนมากเนี่ย อาหารสำหรับสงฆ์ก็มีมากพิสูรเหล่านี้อาศัยพวกท่านเห็นอยู่แต่พวกท่านจึงอยู่ในที่นี้หากพวกท่านจะไม่ให้นะครับเอแกพิสูรเหล่านี้ก็บัด น, นี้ใครเล่าจะให้แกพิสูรเหล่านี้ขอทัานหลานจงให้จีวรเหล่านี้แกพิสูรพวกนี้เถิดนะครับ <c oughs> ก็เตีนะ <c oughs> อ่านะครับอ่านเห็นว่าเห็ น, หนงสงฆ์มีเยอะแล้วใช่ไหมนะครับแลว้วถ้าพู่นี้ที่อยู่พวกนี้ก็ พ่ออาศัยพวโยมแหละก็เลยอยู่นะครัมเมื่อมาถวายท่านแล้วขยถวายในชะ่ไหมเมื่อชาวบ้านพวกนั้นนะครัถูกก็จะบัคคีแค่นใครนะจึงได้ถวายจีวรตามที่ได้จัดไว้แก่พวกปัจจุบันขี่ไปแล้วอังคาาสงด้วยอาหารอย่างเดียวบรรดาพิสุที่เป็นผู้ <c oughs> บรรดาพิสุที่ทราบว่าอาหารพร้องทั้งจีวรที่เขาจัดไว้ถวายสงอืม แต่ไม่ทราบว่าเขาไม่ถวายจีวรแก่พระเจ้าปักขีไปแล้วได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าข่านอรหันหขอจงถวายจีวรแก่สงเถอร์การพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นวิญญาณไม่ได้เป็นอาบัติอะไรนะข้ายังไม่ทำถวายจีวรเขาถวายอาหารก่อนไม่จัดสงใช่ไหมแล้วแต่ว่าจีวรเขาเตรียมถวายสงแล้วท่านก็บอกเลยเนี่ยจงถวายจีวรแก่สงเถอรอ้อาวถวายได้แล้วโยมที่เตรียมไว้ <c oughs> อย่างนี้ไม่เป็นอาบัติแม่ของอย่างอื่นก็เหมือนกันนะ ที่เขเตรียมจะถวายเราแล้วนะครับเราก็บอกได้นะครับเพราะถูกก็เป็นของที่เ้าน้องมาให้เราแล้วไม่เปมีญัดนะ <c oughs> ชาวบ้านหมูนั้นกล่าวว่าท่านเจ้าข้าจีวัตามที่ได้จัดไว้ไม่มีเจ้าข้าเพราะพระกุญแจหลอกชักพคีได้น้อมไปเพื่อพระกุญแจหลอกชักพคีด้วยกันแล้ว <c oughs> บรรดาพิสุทที่ผู้มั่งน้อยสนดดันโดษก็แท่งเท่าติดเตรียมพนธนานะครับว่า ขณะพระจุกะคีรู้อยู่จึงได้น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงมาเพื่อบุคคลเล่าแ ล, ล้วกระหนุนหนึ่งแด่พระากเจ้าผู้รวมก็ทรงสอบถามทรงติดเตียงพระจพภะคีแล้วบัญญัติสิขาบทนี้ขึ้นมาคาที่บากนกลางขาแล้ไม่ค่อยมีแล้วนะผมก็จะ ต, ตรงนี้ฟังนะครับตอนนี้ไม่ใช่ติกาปายปีนะที่จะเป็นไปตีเฉพาะว่าเรารู้ต้องรู้เครับว่าเขาเอามาเพื่อสง และก็น้องไปเพื่อพิสูุรูปอื่นอนี้นะนต้องไปอีกตีแต่ถ้าสงสัยเนี่ยต้องบัตรทุกกฎใช่ไหมครับแต่ถ้าสําคัญผิดว่าข้ายิม้มมาในน้องนะอย่างนี้นะครับสำคัญด้วยข้ายิม้มมาในน้องหรอกเราน้อะไปเพื่อพิสูุรูปอื่นอันนี้ไม่ต้องบัตรไอีกตีในะสุขาคนนี้แต่มันเป็นวิญญาณนะครับอาจีวอลงก็ไม่ควรใช้ถ้าคนนั้นเขาไม่ใช่ยาไม่ใช่ปวรนานยืนแล้วก็ไปบอกขยอก ให้ไปถวายถ้ารุปนั้นรุปนี้ใช่ไหมครับมันมาจากวิญญาณของที่เจ็นั้นนะครับจีวรนั้นก็ไม่ควรนะไม่ควรกับพระรูปอื่นนะครับอันนี้ยิ่งเป็นจีวรกับถิ่นด้วยนะยิ่งหนักเลยนะจะบอกโยมไปทอดกับถิ่นวัดนั้นวัด น, นี้นะครับงไหถ้าโยมคนนั้นนั้นไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรวานะเราบอกไม่ได้นะครับ <c oughs> สมมติว่าถ้าเป็นการทอดกับถิ่นที่วาดเราเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยนะแม้แต่ญาติหรือว่าโยมปรวานของเรานะครับ เราจะบอกให้แกมาทอดกระถิบ้านลาวหน่อยอยงนี้ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าคือผ้านั่นแหะถือว่าใช้การกระถินไม่ได้คราถ้าไม่ได้ต้องอางบานะัตรเราเนาะพอจะบอกกับญาตพอว่านางบอกได้ใช่ไหมครับแต่ผ้านั้นามาเอามาทํากระถินไม่ได้พราะมันได้มาไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นครับเพราะกระถิบต้องบริสุทธิ์จริงๆนะผ้ากระถิบนะครับไม่ได้ม า, าจากอะไรนิมิตอะไรสักอย่างเลยนะครับต้องบริสุทธิ์คือโ ย, โยงเข้ากลางรถที่จะทําเอง นะครับเขาไม่ไจะทอดเองมันก็ล อ, อยมาจากวิหารนภาไก่นงี้ยเลย <c oughs> ถ้าคืดดีจิตาเป็นหรือว่ามีพระลูกอื่นที่อยู่วัดอื่นเนี่ยไม่ได้อยู่วัดเรานะครับราก็บอกโยมญาติเขาใช่ไมให้มาทอดวัดเราในนี้ได้นะครับนี่และแต่ถ้าว่าสมมติว่าเราอยู่วัด น, นี้ใช่ไหมเราบอกโ ย, ยมยภมิเลศอ่ะแกเป็นมายาแต่แกไม่ใช่าไม่ใช่ปอนะใมัเราบอกภู้ิเลศไปทอดกฐินวันนั้นสิ วันนี้ไม่มีกะทิเลยนะโย่ไปชื่อทอดหนย อ, <c oughs> อย่างนี้ผ้านั่นก็ใช้เท่าวกะทิไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้มาจากวิญญานแลนไม่สมควรเลยนะครับ <c oughs> ไม่นดต่อไปนะครับ <c oughs> หวังว่าลาเข้าน้องไปเพื่อสงแฆ์ใช่ไหมพิสูน้องไปเพื่อสงฆอื่นหรือเพื่อเจดีต้องบัตรทุกข์ก่นะครับลากที่เข้าน้องไปเพื่อใจดีน้องไปเพื่อใจดีอื่นเพื่อสงหรือเพื่อบุคคลต้องบัตรทุกขก่ ครอันนี้ไม่ได้เลยนะล่าเขาน้องไปเพื่อบุคคลนะครับพิสูจน์น็ไปเพื่อบุคคลอื่นเพื่อสงฆ์เพื่อใจดีก็ต้องมาทุกกลไม่ได้เท่านั้นนะแม้ล่าอนี้เขาน็อไปเพื่อบุคคลใช่ไหมเราคิดว่าโยมไปถวายแกบุคคลได้ยังไงได้บุญน้อยถำ้ายสงฆ์ดีกว่าหรือว่าเขาเตรียมจะถวายผมเลยใช่ไหมพันไเจก็พันเจก็เลยหมอยมเลยอย่ไปถวายเขาเลยมันปตาติดบุคลิกกัน อันนี้สง้อยข้าล่างเลยนะอย่างนี้ส้าร้นสงนก่อนเสร็จอะไรไม่ได้ครับทํำยังก็ไม่ได้นะจะต้องบรทุกเกาะของเขาถือว่าน้องล่างบุคคลไปเพื่อสงเพื่อจดีเพื่อบุคคลไม่ได้เัน <c oughs> นั้นะ <c oughs> น, นนะครับก็จากที่เข้ามีสัทธาจะถวายนะเขาโนอมเพื่อใครโน้มเพื่อบุคคลนั้นและอย่าน้อเก็ อ, อย่างอางื่ <c oughs> <c oughs> นดีนครับถ้าล่าเขาเห็นไม่ได้น้องใช่ไหม ภิสุขเข้าใจสิว่าน้อมแล้วหรือว่าสงสัยนะครับอันนี้ก็ยังน้อมไปที่จะต้องอ่านบัตทุกค น, นครับ อ, นนอันนี้มาดูอนาบัตรก่อนที่จะเข้าคำถามคำถามที่นัน่ะอธิบายนะถ้าใช้ไปดนัุสืีนะครับหน้าเจ็ดร้อยเก้าสิบปนะครับอนาปฏิวัต น, นะครับคิสุขเมื่อทาง ย, ยกขถามว่าจะถวายที่ไหนเนี่ยถ้าโยกเข้ามาปรึกษาหรือว่ามาถามเรานะ ว่าจะถวายที่ไหนแล้วก็สามารถตอบหน้าใช่ไหมสามารถบอกหน้าเพราะแกยังไม่ได้นอกไปที่ไหนเลยนะครับมาถามเราโยมจะทําบุญที่ไหนดีท่านจะถวายที่ไหนดีนะครับก็ตอบว่าพยธรรมของพวกท่านพึงได้รับการใช้สอยพึงได้รับการปรับปรุงหรือพึงตั้งอยู่ได้นานในที่ใดนะครับก็หรือจิตของพวกท่านเลื่อมายในที่ใดก็จงถวายในที่นั้นเถิดดังนี้นะครับนี่จะบอกหน้าเหย มองโยมโยมศรัทธาที่ไหนก็ไปทําที่นั่นแหละนะนี่ครับโยมเลื่อนศรัทธาที่ไหนวันไหนที่ไหนก็แน่ๆไปทําที่นั่นหรือว่าโยมคิดว่ามันเป็นถวายที่ไหนนะแล้วมันจะเกิดประโยชน์เยอะนะพระส่งจะได้ใช้สอนสำเร็จประโยชน์ใช่ไหมครับโยมก็ไปถวายที่นั่นเถอะไปทําที่นั่นี่อย่างได้นะครับอย่าบอกว่ามาถวายตมาสิโย่อย่าพูดอย่างนี้นะต้อพูดเป็นกลางๆลักษณะนี้นะครับเลื่องใสศรัทธาที่ไหนถวายที่ไหนที่จะได้ประโยชน์เนี่ย ก็ไปทาที่นั่นนะครับพิสูจวิกรสนิพิสรณทิกรรมการไม่ต้องอ้างบังเอะไรนี่มันเป็นการถามถ้ารอก็สวัยมาเลยก็ได้ไม่เป็นอ้าบัตไม่เป็นแต่ถ้าอยู่เขาบอกเขาถามเลยนะครัก็ไม่ไม่เป็นอ้าบัตรนครับแต่ไม่ควรนะครับพอเกยังไม่ได้ทนน้องใช่ไหมแล้วก็มาถามอีกครับ ก็ได้เรพราเขาเขาน้องมาที่วัดเราแล้วอนนี้น่ะนนเขาไม่ได้ถามอยู่เป็นถวายที่ไหนนะนี่เขาน้องมาวัดเราแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าที่ถวายสรงทานมันเป็นถวายจุดไหนนั่นเองนี่เราก็บอกได้ลเดลย <c oughs> ได้ไหมได้เป็นไร <c oughs> อันนี้เขาเหมือนก็ว่าจะถามว่า ท, ที่ไหนที่วัดไหนอะไรมานี่ยนะนี่แหละแต่เขาน้องมาที่วัดเราแล้วมีปัญหานะครับ แล้วเราชี้ไปที่วัดหนึ่งเราจะโดนรู้ต้องรู้นะเขาเอาสากของรค์เอาสารอาหารของมาใช่ไหมครับน้องมาวัดเราแล้วนะบุษฎาชี้ไปที่วัดเขาไกลหน้าอีกเปนได้นะครับนะโดนเลยนะแตโยมจะว่าไงบุยฎาตั้งใจมาีลเดี๋ยวก็โยมจะพูดได้โยมก็ไม่มีโท่ไม่มีอาบัอะไรนะ แต่ว่าจะไปขันล่าบคนอื่นก็ <c oughs> แล้วแท้ถ้าก็น้อไปถึงใครแล้วก็ให้เาทำคนนั่นนะนอกจากว่ามันจะมีโทษหรือว่าที่นั่นมันมีเยอะแล้วใช่ไหมเราจะแนะนาเข้าไปอะไรนี้ก็งไม่เป็นไรนะแต่ไม่คนรได้ยิ่งไปขันล่าบใครดีที่สุดนี่นะก็แล้วแต่ว่าบุญใครก็ได้การการที<อ>่ปฏิเสธรัพเงินเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่ธรรมบ้านมันจะทำให้ อ๋อไม่เสื่อมศรัทธาครับศรัทธาที่บริสุทธิ์ถ้าเข้าใจเห็นมีผลนะเขาจะไม่เสื่อมศรัทธานะครับแต่บางทีเขาเป็นปัญหาเขาไม่เข้าใจนะนะครับถ้าคนมีศรัทธาจริงเนเราที่บ้ายเข้าความเขียนเรื่องความวินัยที่มาเขาต้องรับฟังนะครับเขาจะไม่เสื่อมศรัทธานะถ้าคนที่เสียอมศรัทธาคืพวกอะไรเนี่ยพวกที่ไม่เอาเห็นผลนะไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับบิงทีก็ไม่ใช่ศรัทธาบางทีก็เป็นปัญหาอะไรก็ได้ เราไม่ต้องกลัวเสื่อมเสท่านะถ้าพวกนี้จะเสื่อมก็เสื่อมไปพวกที่ไม่มีปัญญาไม่ยาเห็นผลนะเอาแต่ใจตัวเององเดียวเทาท่านจะรับหั้อไมเนับทำไมนยุ่งยากเลยที่ว่าืก็รับกันเพ่านั้นทำไมท่านไม่รับมีปัญหาอะไรกันนะมิโนมินาไปแข่งมากสมัยนี้มันยุ่งไหนลวท่านแม้วลำากเลยค่อยางนาเขาบริสุทธิ์มันจิตใจอ่าครับ วองโยมโยไม่ผิดหรอกแต่ว่าท่าทาละลุนพิะจิตผิดวินายังได้เจ้าห้าไปแล้วรับไม่ได้ไม่สมควรแก่สมณะนะครับบางทีก็คุยยากเหมือนกันนะครับเวลาก็น้อยเช้าวันศุกร์ในเช้าก็เจอตามลุงให้หลวงพ่อเเอามาในกรรมดอกไม้ตลอดแล้วเลับเย็นมาดีเลย มาที่รับเงินนะอืมมาปัจจัยไม่รับเงินรับเตยปัจจัยปัจจัยที่สมควรปัจจัยปัจจัยสี่ปัจจัยที่สครครับครับอนั้นไปเจอโยอีกเขาบอกว่านเรื่องเงินไม่รับมีปัจจัยงแดงอยโยีไม่ใช่ปัจจัยของโยงก็จะหมายถึงเงินนครับถ้าเราพูดถึงปัจจัยปัจจัยนัเอมันใครมีอยู่ทีหนึ่งนะอันนี้กี่กว่าพัาไม่เสียโยงครับ พระก็ไปผูบูบรรญายเรื่องวินัยนะครับเกีย่ยวกับงระเงนรอบท้องไม่ได้นะก็มีพานหลวงตายอยีกรูปหนึ่งท่านนั่งฟังด้วยถ้าไม่พอใจนะครับท่านเดินออกมาชี้หน้าเลยนะพวกท่านมันมเอาแล้วางตี้นะเพราะว่าอะไรเงลยนะโอ้ยนะครับแกไม่ชอบใจอย่างมากเลยแสดงว่านั่นนั่นหนักนะครับคุยไม่ได้แลนะ้วนะที่ไม่เตือนทำผิดใช่ไหม มันก็หน้าเดียวนั่งแล้วก็ปรับรุงะครับคุณมพูดวิหนฟังนี่ก็ไม่พอใจนครับออกไปยืนชี้นะว่าขนาดนั้นเลยนะครับขนาดเลยการบูรณาการนะครับตามข้อที่หน้าสอห้าสิบห้าข้อที่สิบสองอธิบายปริณามะณะศิขาบท น, นะครับในสิขาบทที่สิบสองคทั้งพวง มีในดังกล่าวไว้แล้วในปารีน า, านุนสิกขาบทติงสกะ ก, กันนะครับนี่สิคิยาปาสตรีสิกขาบทที่สามสิบเนี่ยไปดูคำอธิบายสิกขาบทนั่นก็แล้วกันนะผมก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับไม่เป็นไรนะขั้นตอนการต้องอนบัตินะครับตอนนี้ท่านก็ม่ไอธิบายนะั้นท่านที่บายแต่ว่าเขาได้เปล่งมาจาไว้ว่าจับถว า, จ า, านจับทำ วิสุทน้อมมาเพื่อบุคคลต้องบัตไปตีอันขี้บานขี้มีเราจริงอยู่สองสิกขาบท น, นี้มีความแตกกันเท่านี้เองคือเพราะวิสุทธน้อมลากเข้าไปแก่ตนต้องอาบัตวิสุขียบาจิตตีนะครับแต่สิกขาบท น, นี้เพราะน้อมไปให้แก่วิสุทธรูปอื่นต้องบัตปาจิตตีล้วนล้วนแห่แต่ว่าถ้าเราน้อมทัาน มาเพื่อนตนด้วยไปเพื่อมวลคนอื่นด้วยทีเดียวกันนะ <c oughs> ก็จะต้องทำบัตรทั้งสองข้อทั้งสองตัวเลยนะครับจวัญโยมแม่เราเตรียมว่าจะถวายสงแล้วใช่ไมครับเราบอกโยมแม่ oh è, มาถวายต่อมาดีกว่า <c oughs> <c oughs> มาถวายต่อมาผือหนึ่งหน้าจีบอนเนี่ยแล้วก็ถวายพระรุ่นนั้นอีกผืนหนึ่งมันก็โดนสองตัวนะครับนี่สกขีไปอีกตีตัวใช่ไหมพ่อน้อ ง, นน ง, นนงเพื่อตนแล้วก็ไปอีกตีัล้วนตัวหนึ่งพ่อน้องเพื่อบุลคลอื่นอีัวจบการอธิบายปลดีน้ำนักศึกษาบน จบงานาำมีกับว่างที่ไปนะครับจบนะครับคจบการในเรื่องจริงนะมีโยมเข้ามาว่าเขาหาใชแต่เขามาไปที่ไหนกไม่เห็นตู้บริจาคก็มีพรวานอยู่นี้นะเขามาถามเออเหน่งเหน่งช้อนนะจะก็ถามมีเนื้ย นตูบริจาคไม่มีเหออยูที่ไนผมก็ตามไปที่ผมบอกว่ายไม่มีน่าไม่มีตู้บริจาคแล้วโยมอยากบริจาคขนานข้าวไปจะทำยังไงก็เลยผมบอกว่ายมไปตอไปคุยกับยมสัานเรื่องนผมิดไหมอ๋อครับเขาไม่ได้ถามมาว่าับแต่ว่าเขาต้องการที่จะบริจาคขนาดข้าวไปก็ขอได้แต่ถ้าบอกนะเขาบอกโยมไปถามโยมข้าม ใช่ครัว่าถามเขาจะดีกว่าครั่ะให้ไปติดตั้บอให้ไปถามไปติดคือคราวที่หล้วให้ให้เขาไปถามนะใช่คำว่าถามนี่นะครับคือเราไม่ได้บอกให้เขาไปหาอยู่ตรงใช่ไหมให้เขาไปถามลราไปถามนข้างหน้างใช่ไหมจะได้รู้ว่าทํายังไงใช่รับต่อไปนะครับก็ไม่ผิดนะเขาขอลนุญาตเพราะเขาไม่ได้ อะไรน่าระบุตัวบุนคคลใช่ไหมครับสองคณ ะ, ะบุนคคลข็าไม่ระบุบุคคลนะโยงก็ไม่ได้ถามเธอวัยาว์จัง <c oughs> ผมต้องให้โยงถามแต่ยโยง <c oughs> ไม่ถา ม, <c oughs> า, ไมาไม่รู้เรื่องเา <c oughs> ขาเป็นเตงาไม่รู้เรื่องเราถ้าใช้คำว่าถามแม่จะดีนะโ <c oughs> ยงลงไปถามข้างล่าดูนะใช <c oughs> ่ขอพบันใช้โยงถามถ้าให้โยงโยงอธิบายวินัยยุติได้โยงถามหรือถามพยายามเลย ไม่ได้ก็มเด็ไม่ได้เขาเขาต้องรู้เรื่ะ